ฟังให้ได้ยินคือหัวข้อพระวจนะของพระเจ้าในชาววันนี้ของอ่านจากพระธรรมมั ท, ทธิวบทที่13ข้อ 18-23 ถึงความว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผู้หวานพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ดยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารา้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหวานในใจของเขานั่นไปเสียนั่นแหละได้แก่มเมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมหนทางแล ะ, มะเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในดินนั้นซึ่งมีพื้นดินได้แก่ผุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วได้รับทันทีด้วยความปรีดี แต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อใดเกิดความยากลำบากหรือการขมเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดนั้นและพืชซึ่งหวานตกกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวล ตามธรรมาโลกแต่ความรุ่มหลงในซ้ำสุบัตรรัฐพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชที่ตกส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้าง 30เท่าบ้างอีกตอนหนึ่งจากพระธรรมสุภาษิตบทที่8ก็ส1 4สถึงหความว่าผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุขคือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวันและคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเราเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิต และได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ยกข้อพระธรรมภีที่เราหลายคนคุ้นเคยบางคนได้เรียนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็คือคำอุปมาเรื่องผู้หวานมเมล็ดพืช ฟังดูแล้วก็เป็นเหมือนบทเรียนระวีธรรมดาธรรมดาเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างคุ้นเคยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เติบโตในคิดรจกักรเติบโตในชั้นเรียนระวีวารศึกษาก็ฟังเรื่องนี้อยู่หลายครั้งแต่ความเคยชินหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอาจจะทําให้เราพลาดการคิดแล้วก็ไข้ครวญถึงความหมายที่ลึกซึง้งที่พระเจ้าปรารถนาอยากที่จะสอนเรา ผ่านทางคำอุ ป, ปมานี้คำอุ ป, ปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชเป็นหนึ่งใน3คํคำอุ ป, ปมาที่พระเยซูคริสต์อธิบายวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของคำอุ ป, ปมาด้วยตัวของพระองค์เองอีกสองคำอุ ป, ปมานั้นก็คือคำอุ ป, ปมาเรื่องข้าวละมานท้ำกลางข้าวสาลีและขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ นอกจากนั้นคำอุปมารเรื่องผู้หวานมเมล็ดพืชเป็นคำอุปมาที่พระเยซูคริสต์เริ่มต้นให้ความสำคัญและกำชับคนที่ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับในเรื่องของการฟังการใช้หูใครมีหูจงฟังเถิดจริงๆคำว่าใครมีหูจงฟังเถิดเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้ว่า ear to hear listen เป็นคำที่ปรากฏอยู่ใน พระกิติคุณอยู่ทั้งหมดเจครั้งและอีกเจครั้งเนี่ยปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ที่เป็นจดหมายข่าวหรือข่าวที่ไปถึงคิดเหตจักรต่างๆในวิวรณ์เนี่ยอาจจะลงท้ายที่แปลเป็นภาษาไทายแตกต่างจากในภาษาอังกฤษบ้างโดยในวิวรณ์เนี่ยจะแปลว่าใครมีหูฟังก็ให้ฟังข้อความแต่ในภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยใช้ข้อความเดียวกันหากเรามีโอกาสได้ศึกษาคําอุปมาที่พระเยซูตรัส พระเยซูตรัสคำอุปมาให้กับบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่ฟังคำอุปมาของพระเยซูคริสต์เนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้เป็นคนที่ใหม่ต่อพระคำแต่เป็นคนที่รู้จักพระคำของพระเจ้าอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือ mm hmm. เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้คร้ครวญและได้คิดถึงพระคำของพระเจ้ามีบางคนในพระคัมภีร์บอกว่าเขาฟังได้ยิน ก็เหมือนไม่ได้ยินในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่สิถึงข้อที่สิเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวเป็นคําอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคําพยากรณ์ของอิสยาว่าว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่ไม่เห็น พราะชนชาตินี้กลายเป็นคนที่มีใจเฉื่อชาหูก็ตึงเวลาที่พระเยซูริสต์ตัดคําอุปมาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ตัดสิ่งเหล่านี้แบบตรงไปตรงมาหรืออธิบายสิ่งเหล่านั้นเลยแต่เล่าเป็นเรื่องคนที่มีสติปัญญาและเป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและมีใจที่จดจ่อยอยู่กับพระเจ้าเมื่อเขาฟังคําอุปมาเหล่านั้นแล้วเขาจะเข้าใจ ความหมายที่ลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในคำอุปมาณนั้นคำอุปมาของพระเยซูคริสต์อธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำอุปมาเรื่องผู้หวานเมล็ดพระเยซูคริสต์เปรียบเทียบเมล็ดเป็นเหมือนกับคนที่คนแต่ละประเภทที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าดินคือสภาพแวดล้อมหรืออิทธิพลที่อยู่ในชีวิตของคนเหล่านั้นและผู้หวานก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าประเภทที่หนึ่ง ก็คือเมล็ดที่ตกอยู่ในที่ที่ไม่มีดินในมัทธิวบทที่13ข้อที่19บอกว่าเมื่อผู้ได้ยินคําบอกเล่าถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมาลายก็ฉวยเอาพืชซึ่งหวานในใจของเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดซึ่งตกหวานตกริมหนทางเมล็ดนี้เป็นเมล็ดที่ตกอยู่ในที่ที่ไม่มีดิน ได้ยินพระคำของพระเจ้าแล้วแต่ก็เติบโตไม่ได้เพราะชีวิตของเขาไม่พร้อมเหมือนในพระธรรมอิสยาห์ที่บอกว่าพวกเขาได้ยินกับหูก็จริงแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าใจของเขาปิดและไม่ปรารถนาที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตัดว่าในที่สุดแล้วมารก็เฉวยเอาไปและเขาก็พลากจากทางของพระเจ้าคนประเภทนี้คือคนที่แม้จะได้ยินคาสอนของพระเจ้า เขาไม่ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเขาอาจจะรู้สึกและคิดว่าตนเองเนี่ยดีอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราและหลายครั้งความเย่อหยิ่งในชีวิตของเรานี่เองเป็นตัวที่ขวางกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและมารเองก็ฉลาดเพียงพอที่จะใช้พฤติกรรมเหล่านั้นดึงตัวมนุษย์ให้ยิ่งห่างออกไปจากพระเจ้า มเมล็ดที่สองนั่นก็คือมเมล็ดที่ตกอยู่ในดินที่มีหินอยู่มากมเมล็ดซึ่งหวานตกในที่ดินซึ่งมีหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดความยากลาบากหรือการข่มเหงต่างๆพระวจนะนั้นเขาก็เลิกและทิ้งเสียในทันทีทันใด มเมล็ดที่ตกอยู่ในดินประเภทนี้ทีแรกดูเหมือนว่าจะเติบโตได้แต่เวลาผ่านไปจะพบว่ามเมล็ดนี้ไม่มีรากที่ยาวพอแข็งแรงไม่พอที่จะเติบโตพระเยซูกิตเปรียบคนประเภทนี้ก็คือการเรียนรู้พระวจนะอยู่ในระดับที่ตื้นเขนินตื่นเต้นแค่ช่วครั้งชั่วคราวและเมื่อเจอความยากลำบากในชีวิตก็ไม่สามารถที่จะอดทนได้ มเมล็ดประเภทนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะดีแต่น่าเสียดายเพราะว่ารากฐานแห่งพระคำไม่สามารถที่จะลงลึกในชีวิตของเขาและเขาเองก็ขาดการเอาใจใส่ที่จะศึกษาเพิ่มเติมทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจพระวจะนะคำของพระเจ้าเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นหรือมองเพียงแค่มุมเดียวโดยเข้าใจว่าเมื่อรู้จักกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาจะสุขสบาย ชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยพระพรมากมายที่พระเจ้าจะประทานให้อันที่จริงการเชื่อหนังนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะผู้ที่เชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพระพรในชีวิตแต่หนทางแห่งความเชื่อมันไม่ได้สั้นการที่เรารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยหนทางแห่งความเชื่อของเรามันยาวมันคือตลอดชีวิตของเราแต่ตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีแต่ความสุข อย่างเดียวได้มันจะมีความท้าทายมีบททดสอบมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแต่น่าเสียดายที่คนประเภทนี้เขามองเพียงแค่ความสุขสบายที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อไม่ได้เตรียมชีวิตให้พร้อมที่จะเจอกับบททดสอบและความท้าทายเมื่อเจอบททดสอบและความท้าทายจึงง่ายมากที่เขาจะละทิ้งพระเจ้าและหันกลับไปเสียอีกหนึ่งอีกทางหนึ่ง เพราะว่าในที่สุดแล้วเขาเองก็ไม่พร้อมและไม่ได้เตรียมชีวิตใ ห, ใ ห, ให้พร้อ ม, มเมล็ดประเภทที่สก็คือมเมล็ดที่ตกอยู่ในดินที่มีหนามพืชซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ฟังพระวจนะแล้วกังวลตามธรรมดาโลกและลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นลัดพระวจนะเสียจึงไม่เกิดผลมเมล็ดที่ตกถ้ำกลางหนามคือคนที่เรียนพระคาของพระเจ้า แต่มันมีสารพัด ส, สิ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวแม้แต่ น, นิสัยส่วนตัวหรือพฤติกรรมกลายเป็นวัชพืชหรือหนามที่มันปกคลุมอยู่ในชีวิตพระเยซูคริสต์ตรัสาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความลุ่มหลงฝ่ายโลกที่ขวางกั้นทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเวลาในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันในเชิงลึกกับพระเจ้า หรือว่าไม่ได้เห็นว่าการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาจึงเอาความกังวลเหล่านี้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกเนี่ยมันแลกด้วยเวลาและการลงทุนชีวิตการที่พระเยซูคริสต์ตัดดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณละทิ้งสิ่งต่างๆฝ่ายโลกและอยู่เฉยๆแต่ในความจริงแล้วเนี่ยการอะไรก็ตามที่เราให้เวลา ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการหาเลี้ยงชีพชื่อเสียงเกียร ต, ติยศเงินทองหรือแม้แต่การตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายสิ่งเหล่านั้นถ้าเราให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นชีวิตของเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังเตือนสติคนเหล่านั้นก็คือจัดลาดับความสาคัญในชีวิตให้ดีเมื่อรเรามีพระเจ้าเราให้เวลากับพระเจ้า เราจะมีเวลาในการทำทั้งหมดและความกังวลฝ่ายโลกหรือความรุ่มห ล, ล, ลงในฝ่ายโลกเนี่ยมันก็จะมีความกังวลที่น้อยลงและการถ้าเกิดยังเอาชีวิตของเราให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการให้เวลาในการรับใช้พระเจ้าอ่านพระวจนะหรือสามัคคีทากับพี่น้อง <c oughs> ชีวิตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเราก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโ ต, ตได้สุดท้าย <c oughs> คือมเมล็ดที่ตกในดินที่ดีนั่นก็คือพืชที่ตกอยู่ในดินดีนั้นได้แก่ บ, บุคคลที่ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วเข้าใจ <c oughs> ก็เติบโต มเมล็ดที่ตกอยู่ในดินดีคือมเมล็ดที่หยางรากลึกลงในดินและพร้อมที่จะเจริญเติบโตตามเวลาที่เหมาะสมซึ่งเปรียบได้กับคนที่รู้พระคำของพระเจ้าและศึกษาเพิ่มเติมลงลึกในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล ะ, มะเมล็ดนั้นก็จะหยางรากลึกลงในดินก่อนที่จะเติบโตและเจริญผลในความเป็นจริงแล้วมเมล็ดเนี่ย ที่จะเจริญเติบโตและเกิดผลได้ <c oughs> ม, <c oughs> มันไม่ได้เกิดผลได้เลยทันทีทันใดถ้าคนที่ปลูกต้นไม้อยู่แล้วจะเห็นว่ามเมล็ดนั้นเนี่ยต้องใช้เวลามันใช้เวลาที่จะเนา่าเปื่อยตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมนั่นหมายความว่าบุคคลที่พร้อมจะเจริญเติบโตในพระวจนะคของพระเจ้า คือคนที่จะพร้อมที่จะฝังตัวเองฝังตัวเก่าของเขากับพระเจ้า <c oughs> ยอมตายและเติบโตขึ้นมาใหม่กับพระองค์เขาได้ค่ะคนเหล่านั้นคนที่ยอมตายและให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาพระเจ้าจะทำงานและชีวิตของเขาจะเป็นพระพรมากมาย เหมือนในคำอุปมาที่บอกว่าเขาจะเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60สเท่าบ้าง30บเท่าบ้างและพระเยซูคริสต์จบคำอุปมาของพระองค์ด้วยคำว่าใครมีหูจงฟังเถิดจุดเน้นที่สำคัญของคำอุปมาณี้คือการได้ยินบุคคลทั้งสี่ประเภทมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเขามีโอกาส ที่จะได้รู้จักและได้ยินพระคาของพระเจ้าแต่สิ่งที่แตกต่างคือการตอบสนองซึ่งมันคืออิทธิพลที่อยู่ภายในชีวิตเอวาเองอาดัมกับเอวาล้มลงในบาปเพราะการได้ยินของเขาการได้ยินเสียงของมารที่ล่อลวงจนทำให้การเกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนการได้ยินของเขามันทำลายศรัทธา ที่เขามีต่อคำสั่งของพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและชีวิตของมนุษยชาติทั้งหมดมีเรื่องหนึ่งเขาเล่าว่าในอดีตก่อนที่มนุษย์เราจะใช้ตู้เย็นในประเทศที่มีอากาศที่หนาวจัดมากๆเขาก็จะสร้างบ้านน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่เก็บอาหาร โดยเขาจะไปตัดน้ำแข็งจากทะเลสาบที่หนาและเก็เอามาสร้างเป็นบ้านน้ำแข็งแล้วก็จะคลุมด้วยขี้เลื่อยเพื่อที่จะปกเอาให้รักษาความเย็นในบ้านนี้ให้ความเย็นเนี่ยอยู่จนกระทั่งถึงฤดูร้อนแล้วเขาก็จะเก็บอาหารเอาไว้ในบ้านน้ำแข็งนี้ <c oughs> โดยที่บ้านน้ำแข็งเนี่ยจะไม่มีหน้าต่าง บ้านน้ำแข็งจะไม่มีหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยจะต้องปิดจนแน่นวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เข้าไปนั่งเขาก็เข้าไปทํางา น, นไปเก็บของต่างๆในบ้านน้ําแข็งเสร็จแล้วเนี่ยเขาเกิดทํานาฬิกาที่มีมูลค่าและมีคุณค่าต่อชีวิตของเขามากเนี่ยหายตกลงไปอยู่ในบ้านน้าแข็งซึ่งในบ้านน้าแข็งเนี่ยมันจะมีทั้งขี้เลื่อยอยู่ในนั้นด้วย เขาก็พยายามค้นหาทั้งคนขี้เลื่อยก็ตามใช้เวลาหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็หานาฬิกาของตัวเองไม่เจอสัตว์แลลวเนียก็เรียกคนงานให้เข้ามาช่วยกันหาอีกคนหนึ่งก็หาไม่เจอในระหว่างที่พ่อกับคนงานเนี่ยผู้ชายคนนี้กับคนงานกำลังช่วยกันหานาฬิกาลูกของเขาก็ได้ยินว่าพ่อเนี่ยกลังหานาฬิกาแล้วก็หานาฬิกาไม่เจอ ตอนบ่ายของวันเดียวกันเนี่ยลูกชายก็แอบเข้าไปในห้องในบ้านน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็ปิดประตูผ่านไปสักพักหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ออกมาพร้อมกับนาฬิกาพ่อของเขาดีใจมากแล้วถามลูกว่าลูกลูกเก่งมากเลยหนูหานาฬิกาเจอได้ยังไงพ่อนะหาตลอดหาทั่วเลยแต่ก็ไม่เจอเขาก็บอกกับพ่อของเขาว่า ผมก็แค่ปิดประตูแล้วก็นอนราบไปที่พื้นเอาหูแนบไปที่ขี้เลื่อยและผมก็ได้ยินเสียงเดินของเข็มนาฬิกาและผมก็รู้ว่านาฬิกามันอยู่ที่ไหนหลายครั้งปัญหาของเราไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ตรัสกับเราแต่ปัญหาของเราคือเราไม่ได้นิ่งพอ หูของเราไม่ได้สงบพอที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังคําทูลขอของเราเสมอแต่เราเองที่ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าจัดกับเราเราต้องถามตัวเราเองว่าเรานิ่งพอหรือเปล่าหูของเราสงบพอหรือเปล่าในเทศการเข้าสู่ธรรมนี้มันเป็นโอกาสที่พิเศษ ที่เราจะได้พิจารณาชีวิตของเราทุกคนว่าในความเชื่อของเราเราเป็นเมล็ดที่ตกอยู่ในดินประเภทไหนประเภทที่ตกอยู่ริมทางไม่มีดินที่จะเจริญเติบโตได้หรือเราเป็นเมล็ดที่ตกอยู่ในที่ที่มีหินอยู่มากหรือเป็นในที่ที่มีหนามที่มันเจริญเติบโตไม่ได้หรือเราอยู่ในดินที่ดีหากเราพิจารณาแล้วเราพบว่า เราอยู่ในสามประเภทแรก <c oughs> เราก็ไม่ได้เป็นคนที่สิ้นหวังนะคะเรามีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของเราโดยเฉพาะหญิงในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนำชีวิตของตัวเองเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าสุภาษิตบทที่8ดข้อที่34มสี่ถึงสกล่าวว่าจงฟังคำสอนและจงฉลาดอย่าเพิกเฉยเสีย ผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุขคือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวันคอยอยู่ข้างประตูบ้านเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับการพอพระทัยจากพระเจ้า <c oughs> วันเวลาของเรากับพระเจ้าของแต่ละคนไม่เท่ากันเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาอีกกี่มากน้อย ที่จะได้มีโอกาสได้ยินเสียงของพระเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรามีใช้โอกาสนี้เฝ้าพระเจ้าในบรอมอยู่ว่าเฝ้าพระเจ้าทุกวันรอคอยพระเจ้าทุกวันเหตุฉะนั้นจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะมีรู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร่วิวรณบทที่สข้อที่สขอให้เราใช้หูของเราฟังให้ได้ยินเสียงของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราพบพระเจ้าเราก็พบชีวิตการฟังให้ได้ยินคือความรับผิดชอบส่วนตัวของเราแต่ละคนที่มีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและพระเจ้า คาดหวังชีวิตของเราแต่ละคนที่จะเกิดผลและเติบโตของพระเจ้าเวยประพักค่ะ